พะตรัยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่ 9. สัมมาทิทฐิ 3. สูตรสูตรว่าด้วยความเห็นชอบพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามพระสาวรีบุตรได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องความเห็นชอบโดยยกเอาการรู้จักอกุศลและมูลรากของอกุศลการรู้จักกุศลและมูลรากของกุศลขึ้นแสดงก่อน เมื่อภิกษุทั้งหลายถามถึงปริยายอย่างอื่นอีกก็แสดงยักย้ายในเรื่อยๆไปอีก15ข้อรวมเป็น16ข้อทั้งในแรก15ข้อหลังคือ 1. อาหาร 2. ทุกขาชรามรณะคือความแก่และความตาย 4. ชาติคือความเกิด 5. พบภพคือความมีความเป็น 6. อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น 7. ตันหาคือความทยานอยาก 8. เวทนาความรู้สึกอารมณ์ว่าทุกข์สุขเป็นต้น 9. ผัสสะความถูกต้องทางตาเป็นต้น 10. สลายตนะอายตนะหมีตาเป็นต้น 11. นามรูปคือสิ่งที่เป็นเพียงชื่อ คือเรื่องของจิตใจเรียกนามสิ่งที่ถูกต้องได้เห็นได้เรียกรูป 12. วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาเป็นต้น 13. สังขารเครื่องปรุงแต่งกายวาจาจิต 14. อวิชชาความไม่รู้อริย ส, สัจสี5อาสวะกิเลส ท, ที่ดองสันดาน โดยรู้จักตัวสิ่งนั้นเหตุเกิดของสิ่งนั้นความดับของสิ่งนั้นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสิ่งนั้นพระสูตรที่10สติปทานสูตรสูตรว่าด้วยการตั้งสติ4ประการข้อความในพระสูตรนี้ซ้ำกับข้อความในมหาสติปทานสูตรซึ่งอยู่ในเล่มสิบสูตรที่9อัญ่อไว้แล้ว